ให้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยก็ยังไม่พอต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนด้วยรูปก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขาราก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังก็ไม่ใช่ตัวตน ในเรื่องของขันธ์ห้าในเรื่องนามรูปอย่างนั้นเหมือนที่ผู้ได้คว่างเมื่อคื น, น, นปฏิจจสมุปบาทครึ่งท้อนพระองค์ก็แสดงแต่เรื่องอนิจจังอนัตตาอนิจจังอนัตตาอยู่อย่างนั้นจนปัญจวัคคีย์คนที่หนึ่งรู้ขึ้นมาพอรู้ขึ้นมา ก็กล่าวว่าจาขึ้นมาว่ายางังกิ่งจี้สรรมดยัตยธ ร, รมมังจับปันตังนิโรธธ ร, รมมังจึงใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจิงทั้งกวงนั้นมีความดับเป็นธรรมดาพอดูการเกิดการดับจะแสดงว่าการเกิดการดับเพื่อให้รู้เรื่องการเกิดดับตอนแรกไม่รู้ว่าการเกิดเป็นยังไง คือการเกิดความรู้สึกขึ้นมานการเกิดความรู้สึกขึ้นมาก็ดีทีนี้ไอ้การเกิดต่างๆเห็นการเกิดขึ้นมาภายนอกอย่างนี้เห็นเกิดภายนอกมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอาจใช้ความรู้สึกดังนั้นอาจใช้ความรู้สึกที่ตัวบุคคลนั้นเห็นความเกิดว่าอ้อความเกิดนี่มันเป็นธรรมดามันธรรมดาธรรมดา มันแสนที่จะธรรมดา recycled. อะไรที่มันเกิดขึ้นมันแสนที่จะธรรมดามันไม่ได้วิจิตพิสดารอะไรมันเป็นธรรมดาเรเห็นการดับเห็นการดับก็เป็นธรรมดาอีกอ๋อการเกิดก็เป็นธรรมดาความดับก็เป็นธรรมดาคือเห็นเป็นธรมธรมชาติทั้งธรรมชาติทั้งหมดอะไรธรรมชาติทั้งหมดคือสิ่งทั้งปวงน่ เห็สังตรงพวงสิ่งตั้งพวงเกิดดับเป็นธรรมชาติคือเป็นธรรมดาที่มันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นมันเองพระพุทธเจ้าพระองค์รู้เรื่องก็อญญาโกนตัญญะได้รู้แล้วได้รู exactly being, s s ้แล้วอัญญาสีวัตปโกรตัญโยอัญญาสีวัตปโกรตัญโยอัญญาโกนตัญญะรู้แล้วอัญญาโกนตัญญะรู้แล้ว เพราะฉะนั cherry, w, ้นการเห็นการเกิดการดับไงพระโสดาบันพระโสดาบันคือเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดดับของตาเห็นเกิดการเกิดดับของหูเห็นการเกิดดับของจมูกของลิ้นของกายของใจเห็นการเกิดดับของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโุตตะภาของธรรมารมเห็นการเกิดดับของสิ่งเหล่านี้ ว่าสิงแล้วนี่มันเกิดดับตาเองมันก็เกิดดับตาเห็นนี่ชื่อว่าตาเกิดตาเกิดพอมันเลิกในการเห็นไม่ดูไม่มองแล้วเราก็เรียกว่าตาดับตาเกิดแล้วก็ตาดับตาดับไม่สนใจแล้วเรียกว่าตาดับตาเกิดตาดับรูปเกิดรูปที่เห็นน่ยมันก็เกิดเกิดเมื่อตาเห็นนั่นแหละ พอลูกเกิดแล้วลูกก็ดับลูกเกิดทูกก็ดับที่นี่ความรู้สึกคือจักกูวิญญาณจักกูวิญญาณเกิดแล้วจักกูวิญญาณก็ดับดับทันทีเลยดับทันทีในเวลานั้นในขณะนั้นนี่เรียกว่าเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดดับทางตาทางหูการเกิดดับทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เห็นการเกิดดับให้ชํานาญ แล้วก็ไม่กล้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่กล้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวกูว่าตัวกูนี่เที่ยงตัวกูเกิดออกมาแล้วเป็นตัวเป็นตนแล้วจะต้องไม่ดับจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ความรู้สึกมันก็เกิดดับร่างกายเองมันก็เกิดดับอายตนะทั้งหกมันก็เกิดดับทุกอย่างในโลกนี้มีแต่การเกิดดับ เกิดดับเป็นกระแสในตัวของบุคคลนั้นเกิดดับเป็นกระแสในวัตถุสิ่งนั้นมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยเราไปพิจารณาดูต้นไม้ต้นไม้มันก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆใบก็มีหน้าที่ในการที่จะรับแสงแดดรับแสงแดดแล้วออกมาปรุงเป็นอาหารรากก็มีหน้าที่ในการที่จะดูดซับน้ำ ดูทรับอาหารก้าวไปอล้วมันก็ส่งต่อต่อต่อกันไปเหมือนกับท่อประปาอย่างนั้นเหมือนท่อประปาเนามันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันทําหน้าที่อยู่อย่างนั้นต้นไม้มันก็ทําหน้าที่ถ้ามันไม่ทําหน้าที่มันก็ตั้งอู่ไม่ได้อย่างนี้เราเรียกว่ามันเกิดดับมันเกิดดับดูต้นไม้ก็เกิดดับดูต้นไหนมันก็เกิดดับมันเกิดดับอยู่ทางนั้น ไงมีสิ่งไหนที่มันอยู่นิ่งๆในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่อยู่นิ่งๆมันมีแต่เรื่องการเกิดดับเกิดดับในต้นไม้ในสัตว์ในบุคคลในตัวเราเองสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นสาสานเันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอาหารที่เราใส่ข้าไปในปากต้องเคี้ยวให้ย่ำย่ำเทียก่อนกะเพาะไม่ต้องทำงานหนะักทีนี่พอข้าไปอยู่ในกะเพาะแล้ว มันก็เข้าไปในลำไส้มันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นจนเหลือเจ้าขึ้นมาก็เป็นกากของอาหารเป็นกากของอาหารก็ตายออกไปทีนี้มันก็ส่งต่อต่อต่อต่อต่อกันไปงั้นมีแต่การเกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่ในเรื่องของทาง <S <S วัตถุเห็นง่ายกว่าทีนี้เรื่องของการเกิดดับในเรื่องของทางจิต ของทางจิตนี่มันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเห็นการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับทีนี้ถ้าเราเข้าไปยึดถือในการเกิดดับนั้นทำให้เป็นตัวกูของกูขึ้นมามันก็ไม่ว่างทำให้คนนั้นจิตไม่ว่างเห็นการเกิดการดับจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในการเกิดดับเหล่านั้นเมื่อไปเห็นการเกิดดับเหล่านั้นไม่เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติไม่เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยน ให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเกิดก็เป็นธรรมชาติดับก็เป็นธรรมชาติตั้งอยู่เพียงเพียงชั่วครู่ชั่วยามก็เป็นธรรมชาตินี่มันเป็นธรรมชาติดังนั้นมันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนเกิดดับว่างจากตัวตนเกิดดับว่างจากตัวตนการเห็นความว่างก็คือการเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดดับแล้วมันก็จะว่างจากตัวตน เห็นว่ามันไม่มีตัวตนอยู่เลยแม้แต่ Jasmine, ร่างกายของเรานี่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนงี่แต่เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่ามันเกิดดับแต่มันไม่มีตัวตนมันว่างจากตัวตนมันบังคับตัวมันเองไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นสิ่งอื่นก็เป็นอย่างนั้นทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นมีแต่เรื่องการเกิดดับในโลกในจักรวาลนี้งีแต่เรื่องการเกิดดับไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ ที่เป็นปกติที่มันตั้งอยู่คือมันใช้เวลามันใช้เวลาในการเกิดดับดวงอาทิตย์นี่มันมีเวลามากเพราะว่ามันต้องดูแลมันต้องควบคุมโลกที่มันเป็นอย่างนั้นมันเองโลกนี่มันไม่เท่าไหร่มันก็เสื่อมไปก็เสื่อมไปต่อไปมันก็หมดอากาศมันก็หมดอาหารมันก็หมดอะไรมันก็หมดยิ่งเรายิ่งทาลายมันมันก็หมด หมดทนี้สัตว์โลกมันก็ค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปดวงอาทิตย์ไม่มีโลกนี้ก็ไม่มีหรือมีโลกนี้ก็มีโลกแห้งๆมีโลกที่ไม่มีคนมีโลกที่ไม่มีสัตว์ไม่มีต้นไม้ไม่มีพืชมันไม่มีอะไรถ้าดวงอาทิตย์มันดับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ค่อยๆดับตามกันไปอย่างนั้นก็เรียกว่ามันหมดยุคหมดยุค ล่างยุคกันล่างจักรวาลนี้กันนี่คือการเกิดดับทางวัตถุแต hmm. ่ว wow. ่าเรานี่มีการเกิดดับทางจิตใจมีการเกิดดับตลอดเวลาการเกิดดับทางจิตใจการเกิดดับทางตาการเกิดดับทางหูการเกิดดับทางจมูกการเกิดดับทางลิ้นการเกิดดับทางกายการเกิดดับทางใจ ลิ้นกินอาหารปากกินอาหาราะวพอนอาหารก็คอยมีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนั่นคือการเกิดเกิดของอะไรคือการเกิดของเวทนาถ้าเราชอบใจก็เรียกว่าเป็นเวทนาถ้าเราไม่ชอบใจก็เรียกว่าทุกขเวทนานี่มันจะเกิดเวตนาอยู่อย่างนั้นทีนี้เราดูการเกิดดับ โอ น, นี่คือเวทนานี่อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเวทน า, ทนาเ ว, ทน า, วทนาเกิดเวทนาดับเอเวทนาก็ตั้งอยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวมันก็ดับไปแล้วนี่แสดงว่ามันว่างจากตัวตนมันไม่มีตัวต น, นถ้ามันมีตัวตนแล้วมันคงติดอยู่อย่างนั้นเวทนามงคนคงจะติดอยู่อย่างนั้นจุกรเวทนาก็ไม่เที่ยงุักรเวทนาก็ไม่เที่ยง อุกุมาสุกขเวทนาก็ไม่เทีย่ยงมันมีการเกิดมันมีการดับอยู่อย่างนั้นมันชั่วยเวลาเสี้ยววินาทีเดียวนี่เพียงแต่ว่าการกินอาหารเพราะฉะนั้นการกินอาหารการรับประทานอาหารมือหนึ่งมันมีแต่การเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอนี้การเกิดดับอยู่อย่างนั้นเป็นสังเกตดูเถอดมันจะมีการเกิดดับทางจมูกก็มีการเกิดดับ จมูกจมูกแล้วก็ที่ประสาทจมูกมันจะมีประสาทเนีย่ยมันมารับรสของอาหารมารับรสมารับกลิ่นลิ้นเนี่ยรับรสแต่จมูกกันรับกลิ่นรับเปลี่ยนต่างๆมันทําหน้าที่เกือบพร้อมๆกันนะลิ้นก็รับรสจมูกก็รับกลิ่นมันไล่เลี่ยงกันมันทําหน้าที่ไล่เลี่ยกันทีนี้ทั้งกลิ่นทั้งรส นันก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นอาหารมื้อหนึ่งหนึ่งี่มันเกิดดับทังตาบ้างทางหูบ้างนี่เกิดดับที่เป็นทวนมากกว่าจะเกิดดับทางลิ้นเกิดดับทางจมูกเกิดดับทางความรู้สึกนี่มันจะเกิดดับอยู่อย่างนั้นโรกินอาหารมื้อหนึ่ง มันเกิดดับไม่ um. หห career, ร Social. er. ู้จะกี่ร้อยครั้งลองคิดดูทีนี้ถ้าเรากําหนดความเกิดดับว่าการเกิดดับทั้งหมดนี้มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงการเกิดดับนี่มันเป็นอนัตตาการเกิดดับนี่มันเป็นเช่นนั้นเองเรียกว่าเป็นตาตาตาตาตาตาาตาแปลว่าเป็นเช่นนั้นเองหรือตาตาตาตตาตาเป็นเช่นนั้นเองทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง ที่นี้ถ้าเราเบื่อคำอื่นเราก็ว่าตาตาตาตาตามันเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองอันนี้รู้สึกว่าอร่อยมันก็เป็นเช่นนั้นเองอันนี้ไม่อร่อยมันก็เป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองที่ความรู้สึกให้ทำความรู้สึกอย่างนั้นให้ทำความรู้สึกว่าอ๋อไอ้ผลไม้นี้มันรู้สึกว่าเปรี้ยวอ๋อมันก็เป็นเช่นนั้นเอง ผลไม้นั้นมันหวานมันมีความรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นเองถ้ามันเอาเช่นนั้นเองออกมารับหน้ารับหน้าเช่นนั้นเองเห็นต่างตาคน <c oughs> ผู้หญิงคนนี่สวยมันก็เป็นเช่นนั้นเองเพราะจมูกปากตาหูมันตั้งอยู่ปกติ เรีว่ามันเข้ารูปเข้ารอยกันดีเราจึงเรียกว่าคนสวยไอย้คนสวยมันก็เป็นเจนนั้นเองเพราะคนสวยก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาวางจากตัวตนเออไปดูผู้ชายคนนั้นไม่หล่อเลยหน้าตาดูไม่ได้รูปร่างหน้าตาดูไม่ได้ผิวก็ดําครับอ่าจมูกก็แควก็แควปากก็กว้างกวันก็สี่หยอย ดูแล้วคิ้ว้างอะไรมันไม่ปกติเราก็ว่าเออนี่มันเป็นเช่นนั่นเองคนสวยก็เป็นเช่นนั่นเองคนหล่อก็เป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองให้เห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองทุกอย่างมันเป็นเช่นนั่นเองทำไมคนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเช่นนั่นเองคนนั้นทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเช่นนั่นเอง ให้เราเองเราเองมันก็เป็นเช่นนั่นเองงั้นเป็นเช่นนั้นเองตามธรรมชาติธรรมชาติมันให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรามาให้เรามาลงทุนลงทุนในการปฏิบัติธรรม <_ d> เพื่อจะต้องไม่เกิดอีกในชาติหน้า <_ d> เพื่อจะต้องไม่เกิดอีกในชาตินี้ <_ d> ในชาตินี้ <_ d> คือไม่เกิดความรู้สึกเพื่อจะไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูตัวกูเห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเอง มันเป็นเจนนั้นเองเป็นเ่นนั้นเองอาหารข้าไปในปากรู้สึกอร่อยมันก็เจนนั้นเองอันนี้มันขมมันก็เป็นเจนนั้นเองยอดสะเดามันขมมันก็เป็นเจนนั้นเองถ้าเราถาว่าทำไมเมื่อก่อนตอนที่เด็กๆเราไม่ชอบเราไม่ชอบกินยอดสะเดาไม่ชอบดอกสะเดาหรือว่าสะเม็ดเห็ดสะเม็ดเน่ยเห็ดเม็ดเราเรียกว่าเห็ดเม็ด มันก็ขมเด็กๆมันก็กินไม่ได้แต่ว่าคนแกๆ่ๆนะคนแก่ๆกินได้รับประทานได้ก็เพราะว่าคนแก่อยังขาดมันขาดขาดสารที่ขมขาดสารที่ขมก็ขาดสารที่ขมขข ม, ขข ม, มันก็ต้องการไม่ใช่เราต้องการคือร่างกายมันต้องการต้องการสิ่งที่ขมอาตมายังจำได้อยู่ ตอนที่อยู่สวนโมพ่พออายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยี่สิบเจ็ดยิบแปดนี่เก็บก้างสามสิบเงมันก็เริ่มกินยอดสะเดาแล้วนี่ยอดสะดอมันก็กินได้แล้วี่จนกระทั่งมาแกอย่างนี้ทีนี่คนแก่ๆต้องกินของขมๆทำไมจึงกินของขมรัศาอาหารที่เป็นที่ขมนะ่ะมันขามันก็เป็นเช่นนั้นเองอีน่นั่นแหละเด็กๆชอบอะไร ช อ, อ ช, อชอบของหวานผลไม้ไม่ชอบชอบของหวานทำไมมันถึงชอบของหวานนั่นว่าเป็นเช่นนั้นเองนี่มันเป็นเช่นนั้นเองทางนั้นเป็นเช่นนั้นเองทางนั้นทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองคือธรรมชาติก็คัดสรรมาอย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วเรียกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเห็นอะไรก็เรียกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองไม่ต้องไปชอบไม่ต้องไปเกลียดมัน ได้ยินอะไรก็เป็นศัก์แต่ว่าเสียงที่มันเป็นเช่นนั้นเองบางทีเราอยู่บนนี้เราอยู่ไกลแล้วได้ยินเสียงโปลได้ยินเสียงกรองได้ยินเสียงดนตรีร้านอาหารทีนี้พอดนตรีมันดังขึ้นมาเราก็อย่าตามมันไม่ต้องกิดตามมันแล้วก็ไม่ต้องเป็นหัวกูเราก็ภาวนาไปเสียภาวนาตาม เรียกว่าตามจังหวะก็ได้ถ้ามันชัดชัดทิ้งเช่นเสียงกลองเสียงชิ่นเสียงจิงเสียงจ่าแล้วก็ภาวนามันเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองให้เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยมันปล่อยมันก็จะปล่อยวางเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเป็นตถตาตาตาตาหรือตาตาตามันเป็นเช่นนั้นเองนี่ทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเอง ทำไมฝนมันตกมันก็เป็นเช่นนั้นเองเพราะว่าอากาศมันครึมหรือว่าถึงฤดูมรสุมอ่ามันก็ตกถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำก็อาหารหรือว่าน้ำที่จะรอเลี้ยงต้นไม้มันก็ไม่มีที่จะรอเลี้ยงต้นก้าวก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนี่มันกจะต้องมีฝนตกมันเปลี่ยนแปลงกันเป็นอย่างนี้ แอบแฝดเป็นฤดูกาลเพราะว่าฤดูร้อนมันก็เป็นเช่นนั่นเองฤดูหนาวมันก็เป็นเช่นนั้นเองฤดูฝนมันก็เป็นเช่นนั่นเองทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นมันเองมันเป็นเช่นนั้นมันเองตามธรรมชาติคือธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ว่าไม่ใช่เราไปเห็นว่าทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองนี่ไม้มันล้มไม้มันล้มทับทาง เดินกล้ามไปเลยไม่ต้องทำอะไรมันอย่างนี้เรียกว่าเจนนั่นเองที่มันผิดถ้าอย่างนั้นมันผิดที่เราเห็นว่าเออนี่มันเป็นเ่นนั่นเองแล้วเราจะจัดการอย่างไรจัดการเอาเครื่องไม้เครื่องมือเอามาตัดมาทำไม่เป็นที่เป็นทางเรียบร้อยไม่ขวางทางไม่ใช่ว่าอะไรก็เป็นเช่นนั่นเองไปหมด เช่นนั่นเองอย่างนั้นแก่เดี๋ยบว่าเช่นนั่นเองที่ไม่ถูกต้องก็จะนั่นเช่นนั่นเองนี่มันต้องถูกต้องทําไมคนจึงเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เป็นเช่นนั่นเองทําไมคนจึงแก่มันก็เป็นเช่นนั่นเองทําไมคนแก่จึงขควันหลุดมันก็เป็นเช่นนั่นเองทําไมคนแก่ผมหงอกมันก็เป็นเช่นนั่นเองทําไมคนแก่ต้องเดินหลังค้อมันก็เป็นเช่นนั่นเอง นั่นเป็นเช่นนั้นเองันทางนั้นทีนี้ทำไมจะต้องตายทุกคนจะต้องตายเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองมันต้องตายแต่เสร็จแล้วตายแต่ภายนลกายกายตายแต่ใจไม่ตายจิตไม่ตายไม่ตายเพราะอะไรเพราะจิตของเขก้าวถึงธรรมก้าวถึงธรรมชาติที่เป็นธรมตาก้าวถึงธรรมชาติคือสุญญตาความว <im> ่าง เพราะเาไม่กล้าไปยึดมั่นถือมัน่นไม่กล้าไปยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูร่างกานี้ก็ไม่ใช่ตัวกูอะไรก็ไม่ใช่ของกูทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ไม่ใช่ของกูอนี่มันเป็นอย่างนั้นก็ เ, เห็นว่าความแก่มันก็เป็นเช่นนั้นเองความเจ็บมันก็เป็นเช่นนั้นเองความตายก็เป็นเช่นนั้นเองแทนเป็นเช่นนั้นเอง นี่เรียกว่าสุดยอดในการเห็นถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าสุดยอดในการเห็นพอจะตายขึ้นมาก็ศึกษาเรื่องความตายศึกษาเรื่องความตายเห็นว่าความตายมันก็เป็นเช่นนั้นเองพอแก่ขึ้นมาก็ศึกษาความแก่ง่าความแก่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความแก่ทําให้คนผมงอกความแก่ทําให้คนควันหลุดควันหลอ คามแก่ทำให้เนื้อย่นหนังเหี่ยวอย่างนี้เป็นต้นนี่ความแก่เออทําไมมันจึงหนังเหี่ยวนั่นก็เป็นเช่นนั้นเองทีนี้คนแก่ก็ตกกราดกตกกระดคือมีจุดดำดำดำ่ดางด่า ง, างขาวขาวมันก็เป็นเช่นนั้นเองเราไปดูต้นไม้ <c oughs> อัตมาตอนที่อยู่สวนโมก อยู่กุฏิหนะ้าโรงหมอและศพทางวิญญาณ่ะแ ต, ตอนกลางคืนก็ไปนอนบนโรงหมอศพทางวิญญาณตอนเช้าก็ไปบรรยายที่นั่นมันจะมีต้นเขี้ยมอยู่ต้นหนึ่งต้นเขี้ยมอยู่ทางฐานไปทางโรงหมอศพทางวิญญาณมันก็อยู่ทางท้ายมือทีนี้ที่ต้นเขี้ยมต้นนั้นมันก็ไม่ใหญ่โตนักต้นมันแค่หน้าแค่งแกนั้นเอง ทีนี้พอไปดูตอนนี้ต้นมันใหญ่โตและมันมีตาปุ่มตาปาตาปุ่มตาปำเออมันเหมือนกับเราต้นเคียมนี้มันก็แก่เหมือนกันเราก็แก่เหมือนกันแก่เหมือนกับต้นเคียมต้นไม้ต่างๆที่อยู่กลางกลางกุติที่อาตมาอยู่นั้นมันก็ใหญ่โตขึ้นมาสูงโลดเดทั้งนั้นเลยเออแล้วก็มันมีตาปุ่มตาปำเหมือนคนแก่ก็เหมือนกับเรา มันก็เป็นเช่นนั้นเองดูต้นไม้ก็มาดูตัวเองดูตัวเองก็ไปดูต้นไม้ก็เลยปรองสังขานว่ามันเป็นเช่นนั้นเองต้นไม้มันก็เป็นเช่นนั้นเองตัวเราก็เป็นเช่นนั้นเองไม่น่าที่จะแปลกใจไม่ต้องแปลกใจอะไรมันทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองนี่มันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นเช่นนั้นเองทีนี้บางคนลูกตายก่อน ก็ลูกตายก่อนพิจารณาแล้วก็เออเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเกิดหลังมันเกิดไปจากเราแต่มันตายก่อนมันผิดปกติไหมมันก็ไม่ผิดปกติมันเป็นเช่นนั้นมันเองเป็นเช่นนั้นมันเองนี่บางคนว่าพ่อแม่พอพ่อแม่ตายก็เสียใจร้องโอมร้องไห้คิดถึงทีไหนก็ร้องไห้ทีนั้นนี่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่น ยึดมั่นตัวกูของกูเกินไปไอตัวกูเองก็จะต้องตายพ่อแม่ก็จะต้องตายญาติพี่น้องก็จะต้องตายใครๆก็จะต้องตายมันก็จะต้องตายทางนั้นทีนี้พอต้องตายเสร็จแล้วตัวเองคิดว่าจะไม่ตายพอจะอยู่คำคว้ายัางไงคว้าเองยังไม่มีให้คําเลยนี่พอทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองทีนี้มีคนหนึ่งชื่อว่านางกีสาโคตมี นางกีสาโกตามีนันมีหลานรักอยู่คนหนึ่งเห็นผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ได้บอกทีนี่เลี้ยงหลานมากาลังหน้ารักหน้าช่างพอดีหลานนั่นก็ตายพอหลานนั่นตายเที่ยวแบกหลานเที่ยวอุ้มหลานอยู่อย่างนั้นอุ้มหลานไปหายาไปหายาไปหายาว่าทำยังไงให้เด็กคนนี้ฟื้นขึ้นมาอย่าให้มันตายนี่คนโบราณก็กล้าใจผิด ถ้าใจผิดถึงขนาดนั้นเมื่อก่อนทีนี้ไปอุ้มไปที่ตรงนั้นบ้างไปถามคนนี้บ้างไปถามคนโน้นบ้างไปเที่ยวหายาหายาเพื่อจะให้หลานฟะื้นขึ้นมามันตายแล้วมันจะฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรมีคนก็บอกบอกว่าเออนี่ไปหาพระพุทธเจ้าเถอะพระพุทธเจ้าอยู่ที่วิหารเชตวันะพระพุทธเจ้าคงจะมียาดีๆให้ เสร็จแล้วก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าบอกว่าหลานของอิฉันกําลังน่ารักน่าชังพอดีแต่ก็กดเสียชีวิตไปพระองค์มียาอะไรที่จะช่วยรักษาหลานของอิฉันบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างไงรก็องตรัสว่ามีมียามีแต่ว่าเธอต้องทําหน้าที่ก่อนต้องไปทําหน้าที่ต้องเดินต้องเดินไปหา ยาอะไรคือให้เธอไปถามไปถามไปหาพันเมล็ดพันผักกาดคือที่ประเทศอินเดียนะก็จะปลูกแต่ผักกาดกันผักกาดมากปลูกผักปลูกผักเพราะว่าก็กินผักกันพระองค์ก็ตัดว่าเธอไปหามล็ดพันผักกาดเอามาจาักหยิบมือหนึ่งไม่ต้องมากเอาแค่นั้นพอแล้วถามว่าที่บ้านนี้มีคนตายไหม แต่ถ้าบ้านนั้นมีคนตายออกา ไ, ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่กลังมันจะออมาทํายาไม่ได้ต้องไปเอาบ้านที่ไม่มีคนตายอย่างนั้นนางพอได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจดีใจข้าวไปในหมู่บ้านไปถึงถามก็ไปถึงหลังที่หนึ่งก็าถามว่ามีเมล็ดพันธุ์ประกาศไม่จะขอทักหยิบมือหนึ่งก็บอกว่ามีออแล้ว จเจ้าทําอะไรบอกว่าจเจ้าทํายาให้ลูกสาวหรือลูกหลานสาวหลานชายที่เสียชีวิตไปทีนี้ก็เลยถามก็ว่าแล้วบ้านนี้มีคนเคยตายไหมบอกว่าเคยตายเคยตายแม่ของฉันตายอ๋อเอาไม่ได้ไม่ขลังเอาไปทํายาไม่ได้เอไปบ้านโน้อนอีกก็าถามอย่างนั้นอีกบ้านนี้มีคนตายไหมเขาบอกว่าตายน้องชายฉันตาย พี่ชายฉันตายน้องสาวจันตายพ่อฉันตา ย, ตายแม่ฉันตายลูกฉันตายหลานฉันตายเลี้ยฉันตายไปทุกบ้านมีแต่คนตายคนตายคนตายทั้งนั้นนางก็เลยเศร้าใจเศร้าใจว่าโอ้เราเที่ยวจนจบหมู่บ้านแนี่หมู่บ้านนี้กี่หลังคาเรือนกี่หลังคาเรือนก็หากันหมดแล้วมีแต่คนตายทั้งนั้นเลยทำไมมันจึงตายกันทั้งนั้นฉะนั้น เราเองก็จะต้องตายใต้อย่างนี้หลานของเราตายเราเองก็จะต้องตายอย่างนี้นางจึงเกิดมรณานุสสติขึ้นมาโ อ, โอ้ความตายมันเป็นเช่นนั้นเองเห็นว่าความตายมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาที่มันเป็นเช่นนั้นเองก็เลยไปกราบูนพระพุทธเจ้า ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเลยขอบวชเป็นนางภิกษุณีต่อมาก็บําเพ็ญธรรมจนบนรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่เรียก ว, ว่าอามารณัตติมาเป็นอารมณ์เราจะต้องตายคนอื่นก็ต้องตายคนนั้นก็ต้องตายคนนี้ก็ต้องตายไกลๆก็ต้องตายมันมีความตายเป็นธรรมดาดังนั้นคนเรามีความเกิดความเกิดก็เป็นธรรมดา ความแก่ก็เป็นธรรมดาความเจ็บก็เป็นธรรมดาความตายก็เป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาไปหมดียกว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั่นเองมันเป็นอย่างนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะต้องดับมันก็จะต้องตายมันจะต้องปัดปากจากกันไปก็ระมันเป็นเช่นนั้นเองลูกที่เรารัก สิ่งที่เรารักไม่ว่าเป็นมา้าเป็นแมวเป็นอะไรมันก็จะต้องตายไม่รู้ใครตายก่อนบางทีเราตายก่อนบางทีมันตายก่อนบางทีพ่อตายก่อนแม่ตายก่อนลูกตายก่อนหลานตายก่อนมันไม่แน่ไม่แน่นอนแต่ว่าคนนั้นเองก็จะต้องตายไม่มีเหลือมันก็จะต้องตายอาตมานั่งคิดถึงอยู่ว่าเออไอ้ความตายนี้ ตอนที่อาตมาเล็กๆอยู่ตอนนั้นยังไม่นุ่งผ้าเพราะเด็กสมัยก่อนก็ไม่นุ่งผ้าไม่มีผ้าติดตัวเราสมัยก่อนสองปีสามปีหปีพอจําได้จะไม่มีผ้าติดตัวเราอ่ามันเป็นอย่างนั้นที่นี่มีพี่ชายคนหนึ่งพี่ชายคนโตติดทหารเราติดทหารเนี่ก็เป็นยังไงทีน่นี่ติดทหารเด็กไปตายที่กองทหารเป็นมาลาเรียตาย อาตมาก็นั่งอยู่นั่งจําได้ว่านั่งที่นอกชานเพราะบ้านมันจะมีสงหลังมีตรงหลังมีนอกชานอยู่กลางก็ก็นั่งเล่าเรื่องกันนั่งเล่าเรื่องผู้ใหญ่ก็ก็นั่งเล่ากันก็ เ, เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ตายเราก็เลยนั่งน้ําตาไหลอ ย, อยู่เห็นตัวเองว่ า, าน้ําตาไหลนี่คิดถึงความตายของพี่ แค่ก็เสียดายพี่เสียดายพี่ชายพี่ชายอายุยี่สิบสองยี่บสามที่ตรงนั้นแหละกำลังเป็นทหารอยู่ก็ตายตายที่นี่ก็อร้องไห้เราก็ร้องไห้ น, นี่คือเด็กเดกเด็กเด ก, เ, ดกเพราะฉะนั้นเด็กเดกมันก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเจนนั้นเองเป็นเจนนั้นเองตอนที่พ่อตายอา ย, อยุสิบสามปี อายุ13ปีตายในตอนกลางคืนกลางดึกประมาณตีหนึ่งตีสองพอพอ่อตายเช่นลมไปก็ร้องไห้กันทั้งบ้านเราก็เลยร้องไห้กันร้องไห้กันหมดร้องไห้กันทุกคนมไม่รู้นี่เรียกว่าไม่รู้ชัด ป, ปลาดจากของรักของชอบใจแต่มาดูตอนนี้ดูเออมันเป็นเช่นนั้นเอง พ่อของเราก็ต้องตายเป็นเช่นนั่นเองแม่ของเราก็ต้องตายเป็นเช่นนั้นเองเออมาอยู่ที่นี้เมื่อปธสพันหน้ารอเจมามาจากสวนโมกออกมาจากสวนโมกมากข้าพรรษาที่วัดกุฮาร์เจวันอยู่วัดกุหารวรรค์ก็อออกพรรษาแล้วก็มาดูสถานที่ที่ตรงนี้ เมื่อมาดูสถานที่จุด ท, ที่ตรงนี้ที่เจ้าคณะตำบลก็บอกก็เลยมาดูมาดูแล้วก็ตกลงว่าแน่นอนแล้วตามที่เรานิมิต เ, เรานิมิตเห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นไปหมดคือความตั้งใจเพราะอะไรเพราะต้องการที่จะมาเลี้ยงแม่เพราะบอกพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่ากล้าวจะต้องลงไปทางภาคใต้ก่อน เพราะไปดูแลโยมแม่โยมแม่ตอนนั้นจาได้ว่าอายุแปดสิบปีแล้วทีนี้อยากจะมาเลี้ยงโยมแม่ทีนี้พอเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อก่อนมันลาบากที่อยู่ที่อาใจของโยมแม่ก็ทำเป็นเพิงพักนิดนิดหน่อยๆน่อยมีโยมจีก็อยู่คน2องคนมีปวันแพร่ก็มีคนมานอนอมีคนที่ขึ้นวัดเนี่ยก็มานอนนี้ อยูมแม่อยู่อย่แม่อยู่เป็นยังไงช่วยเหลืออยู่สองปีสามปีพอสองปีสามปีอยู่แม่ก็คิดถึงตามภาษาคนแก่คิดถึงบ้านคิดถึงลูกคนนั้นคิดถึงลูกคนนี้พอเที่ยงเที่ยงอาตจมานอนบากอยู่ได้ยินเสียงก๊กก๊กกกก๊กกถ้าได้ยินเสียงก๊กก๊กก็รู้แล้วว่าโยมแม่มาแล้ว ถือไม้เท้ามาแล้วมาบอกเรื่องนั้นเรื่องนี้บอกว่าลูกหลวงโยมจะกลับบ้านแล้วจะกลับไปอยู่ที่ไหนบ้านก็ขายหมดแล้วไม่เป็นไรกลับไปอยู่บ้านพี่สาวเธ อ, อพี่ของอาตมานี่กลับไปอยู่บ้านพี่สาวอาตมาบอกว่าไม่ได้ตอนนี้ยังไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนนา้โอปัญษาก่อนนี่มันในปรรษา ที่นี้พออกพรรษาแตมากนนีมนตพระนี่มนพระมาสิรูปมาจะเิญพระพุทธมนต์นะโยมแม่เพรโยมแม่จะกลับบ้านแล้วนะจะเดินพระพุทธมนต์ตอนนั้นก็ศาลาลงทำกมุงจ่ามีเตียงมีเตียงไม้สําหรับที่จะให้พระนั่งเอาเตียงมาโตโตโตโตตตตกันก้าวแล้วก็ทําบุญโยมแม่จําได้ว่าตอนนั้นตะวัน องศาร้อยบาทร้อยบาทมันก็มากแล้วในสมัยนั้นเพราะร้อยบาทเนี่ยจะมาไปเทศมานี่ได้ร้อยบาทเนี่ยซื้อจอบซื้อจอบจาจระเขนะ้แล้วได้หนึ่งงานได้หนึ่งทีนี้เมือนอซื้อจอบบางทีก็เหลือนิดนิดน่ดนอ ย, อยๆก็ซื้อพระเพราะเมื่อก่อนต้องจวกต้องถางต้องอะไรมากมันไม่มีอย่างนี้หรอกมันไม่มีต้นไม้ใหญ่ มีแต่ต้นไม้เล็กๆแล้วก็มีตอไม้ที่มันมากที่สุดก็มีตอไม้ตอไม้ที่คนมักฟันคนมักฟันไม้เอาไปทำฟืนตอไม้ขึ้นเต้าเต้าก้มือเจ้าเต้าหัวแม่เท้าก็ก็มาตักไปแล้วเามาตักมักฟันเอาไปทำฟืนเมื่อก่อนมันไม่มีเตาแก๊สมันไม่มีไวยควายใจนี่ก็ก็ทำกันอยู่อย่างนั้นเราก็เลยมา ในสมัยที่ว่าก็ตัดไม้หมดมันเกลี้ยงเกลี้ยงภูเขาแล้วจะมองเห็นก้อนหินแล้วก็วจะตัดแล้วค่อยๆแปลงลงมาแปลงลงมาแปลงลงมาก็ทํากันอยู่อย่างนั้นแม้แต่ทางวัดวัดที่อยู่ใกล้ๆวัดโคกเนียนพอวันจ่าวันอาทิตย์พระจะยกกระโบนเด็กวัดมามาตัดไม้เราทํำยังไงเราก็รักต้นไม้เราจะห้ามไม่ให้ตัดก็ไม่ได้เราก็ตัดกันอยู่ก่อน ก็เลยขอก็ว่าเออในบริเวณนี้บริเวณที่จะเป็นวัดนี่ขอการุณาอย่าตัดให้ขึ้นไปตัดกลางบนเธอพอนานๆขึ้นมาโชคมันก็ช่วยเกิดเตาแก๊สขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาเกิดเตาควายคว้าขึ้นมาเราก็เดี๋ยวว่าโชคมันช่วยเพราโชคมันช่วยอย่างนั้นมันก็จะทำให้ดีขึ้นทีนี้มันมีแต่ตอไม้ตอไม้ตอไม้ มีต่อไม้ก็เอาเด็กนักเรียนมาเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีบ้างโรงเรียนจังหวัดบ้างเพราะรู้จักกับผู้อำนวยการก็เ<ม>ลยว่าวันนี้ก็นักเรียนจากห้องสองห้องอมามาฟันหรือว่ามาขุดต้องขุดไม่ขุดไม่ได้ถ้าไม่ขุดมันก็ขึ้นอีเราก็เอาไว้ห่างๆสวนมากจะมีต้นปลาและต้นแตว้ว ต้นพรากับต้นแต้วก็มีอยู่บ้างตอนนี้ต้นแต้วมันไม่ก็อ ย, อยู่ดอกมันจะตายพอมันโตขึ้นมามันก็ตายมันเองมันตายเองอย่างนั้นตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีแล้วมีแต่ต้นพราเก น, นี้เราก็จว่วเอาจอบมาจวกจวกแล้วก็ทำเป็นคันทำเป็นคันเหมือนกับคันนาอย่างนั้นเนี่ยเหมือนในประเทศจีนที่เขาทานาทำอยู่อย่างนั้น นี่เรียกว่าทํากันอย่างขยันขันแข็งในสมัยนั้นต้องอาศัยพลังงานมากพลังงานนักเรียนพลังงานชาวบ้านนี่ทํากันอยู่อย่างนั้นเอนี่พออยู่มาอยู่มาเออพอทําบุญโยมเสร็จก็อบอกโยมว่าได้แล้ไม่เป็นไรให้พี่สาว ก, ก็มารับไปให้พี่สาวมารับพอพี่สาวมารับตอนนั้นก็เขาถือเป็นเดือนสิเอ็แล้ว เดือนสิออกพรรษาพอดีมารับไปกรับไปพอเดือน11อ็ดให้หลังไปเดือน11ครึ่งเ อ, อกพรรษาเดือน11ครึ่งแล้วก็ถึงเดือน 12, 12เดือน12เดือนสิองปีนั้นน้ําท่วมใหญ่น้ําท่วมใหญ่พอ25สองปนะีน้ําท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่มีโทรเลขมาบอกว่ายโยมแม่เสียชีวิตแล้ว อาตมาไม่ร้องไห้เลยไม่ใช่เกลียดโยมแม่ไม่ใช่ไม่รักโยมแม่รักโยมแม่แต่ว่าจะไม่ร้องไห้น้ำตาไม่ตกเลยไม่ตกเลยบางทีมันก็เกิดงึดขึ้นมาบางครั้งเพราะว่า เ, เราจะไปยังไงน้ำก็ไปดูทางทิศเหนืออย่างนี้เห็นแต่น้ำขาวไปหมดมีหมู่บ้านตะคุ่มตะคุ้มเป็นหลังเป็นหลัง เ, เราจะไปยังไงก็เลย หหคิดหาหนทางคิดหาหนทางในการที่จะไปด้วยการเหมาเรือไปที่นี่ไปจากนี้ก็ไปรถไปรถทะเลน้อยพอไปรถทะเลน้อยไปถึงทะเลน้อยก็เหมาเรือหางยาวเหมาเรือหางยาวไป <c oughs> ไปอยู่หลายวันหลายคืนไปอยู่จนเผาศพจนเผาศพเสร็จเผาศพโย่แม่เสร็จทีนี้ก็ต้องจัดการ จัดการศพเรื่องโยมแม่อาตมาไม่ต้องจัดการมีแต่นั่งมีแต่นั่งดูก็จัดการเขาเองก็จัดการใส่หีบศพทําอะไรต่ออะไรก็เอาก็ใส่หีบศพเสร็จเรียบร้อยแล้ ว, ลวตอนที่อาตมาไปนี่หิบศพก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้หาอะไรพอดีสมพานที่วัดนั้นสมพานที่วัดนั้นท่านเสียชีวิตเสียชีวิตนานแล้วแต่ก็เก็บหิบศพไว้พระเลยเอาหิบศพนั้น ยมแม่เป uh, uh, oh ็นหีบบศโยมแม่ใส่ยมแม่ทีนี้ก็ตั้งที่ศาลาหลงทรรมน้ําก็แค่เอวในวัดน้ําแค่เอวทํำยังไงทีนี้น้ำแค่เจะไปตรงไหนก็ต้องใช้เรือทางนั้นเลยทีนี้พอถึงเวลาที่จะเผาก็ต้องเผาบนน้ําก่อนที่จะเผาก็ทุกคืนทุกคืนคนที่ มางานโจก็มาเรือกันมาเรือกันทางนั้นอัตมาก็ไปนั่งเทศก็บอกโยมว่านี่ตอนที่เป็นๆก็เทศได้โยมฟังพอโยมเสียชีวิตแล้วก็มาเทศได้โยมฟังอีโยมจะความรู้ไม่รู้ก็ไม่รู้บางทีมันก็ตื้นตันขึ้นมาเหมือนกันเหมือนน้าตาจะไหลแต่ก็อดกลั้นได้ไม่ให้ไหลเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง เป็นเช่นนั้นเองความตายมันก็เป็นเช mauvais mauvais mauvais mauvais ่นนั้นเองพ่อตายก็เป็นเช่นนั้นเองแม่ตายก็เป็นเช่นนั้นเองพี่น้องตายก็เป็นเช่นนั้นเองไกลๆตายก็เป็นเช่นนั้นเองเราตายมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองก็เลยเทศไปสองสามกันต้องเทศทุกคืนเพราะคนมามากโย่แม่อายุมากคนมามากและญาติพี่น้องมาก บางคนก็ล่องน้ํากันมาเอาตรามาจนได้นี่เรียกว่าเขาก็ขยันเขาก็คิดถึงคิดถึงโ ย, ยมแม่ทีนี้อาตามาก็จัดงานบอกว่าไอ้แกงอย่างอื่นแกงได้นะเรื่องวัวเรื่องควายห้ามเรื่องลาห้ามห้ามเรื่องการพนันห้ามอาตามามต้องจัดทับเองจัดทับเองอย่างนั้นจนกระทั่งวันถึงวันป่พอพอาววันปาก็จริงๆ เขาก็เลยเผาบนน้ําเลยเผาโยนเผาบนน้ําเขาเอาไม้น่ะมาซ้อนๆๆก้าวการซ้อนก้าวการเสร็จแล้วก็อนไอ้ที่มันสูงขึ้นเพราะน้ํามันแค่อึ่งไม่มีที่เผาน้ํามันแค่เอวก็ต้องเผาบนน้ําทีนี้เผาบนน้ําเผาจนหมดเกลี่ยงจนหมดเกลี่ยงแต่วแต่มาก็เอากระดูกมาเราก็ดูกมาไว้ที่นาทาที่ตรงนี้นั่นประเดิม โยมแม่กระดูกโยมแม่อว้ที่ตรงนั้นนี่เป็นอย่างนั้นที่นี่เมื่อก่อนไม่ไว้ที่ตรงนั้นก็ยังไม่ได้ทำไม่ได้ทํำก็อว้ที่หน้าที่นาที่กลางบนที่ตรงนู้นไอ้นี่โยมแม่ก็ไปให้ขวัญไปให้ขวัญหลานชายที่อยู่นาทวีบอกว่าร้อนจังแล้วอยู่ในหน้าทํำยังไงดีก็เลยจะบอกว่าร้อนอยู่ตรงนั้นก็เลยให้มาอยู่หน้าํา อยู่หน้าธรรมตอนนี้อยู่เย็นเย็นแล้วอยู่เย็นเย็นแล้วก็ไม่เคยมาปรากฏให้เห็นตอนนี้คงจะสบายไปแล้วทุกคนคงสบายไปหมดจิตวิญญาณที่อยู่บนนี้ไม่ว่าเป็นเทพไม่ว่าเป็นพรหมไม่ว่าเป็นปีไม่ว่าเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคนท่านสบายกันไปหมดเพราะธรรมาเทศบ่อยๆคงก็จะมาฟังกันมาฟังกันโดยมากแต่ว่าไม่เห็นตัว คือจิตวิญญาณ น, นั้นมานั่งฟังกันนี่เรียกว่ามาโกรธไม่ใช่โกรธเฉพาะแต่คนโกรธจิตวิญญาณด้วยนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตวิญญาณของทวดของปู่ทวดที่อยู่ที่นี้เขาก็ทรงเขาก็ท ร, ง, ง, ทร ง, งเขาก็ว่าเออมารอท่านอยู่มารอท่านอยู่หลายร้อยปีแล้วก็นึกสงสารเขา เจ้าแม่ปุกป่าก็มาคอยอยู่หลายร้อยปีทวก็มาคอยอยู่หลายร้อยปีคอยอาตมาอยู่ที่นี่อยู่ที่สำนักวิปัชนาวังสันติบรรพตแห่งนี้เราก็ไปเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ที่นี้ชาตินี้ก็คงจะพอกันแล้วเมื่อพอกันแล้วก็จะทำประโยชน์ได้เต็มที่โดยการโปรด โปรดคนเป็นโปรดคนตายโปรดจิตวิญญาณโปรดโปรดให้หมดเรียกว่าโปรดให้หมดทุกคืนอัตมา ก, ก่อนนอนต้องไหวพระตรวจมนก่อนทุกครั้งไหวพระตรวจมนเสร็จแล้วก็อุทิศให้คนพอ่อหายโยมพ่อเป็นคนแรกได้ก็โยมแม่โยมพี่โยมน้องโยมป้าโยมอ า, โย ม, าโยมยายได้ก็พูดทั่วดเจ้าเก่าเจ้าแม่ปุกปา เทพคนททั bekommen, welche, ้งหลายทั illing, Elliott, стве, ้งหมดที่ให hmm. ้ทั้งนั้นเลยให้จนกระทั่งว่าแมวแมวที่ตายไปแล้วก็ให้ให้ทั้งนั้นเลยทีนี้ต้องเจรนาญกันใช้เวลานานเหมือนกันก็ที่สวนโมกข์ก็หลายคนที่กรุงเทพก็หลายคนต้องเจรนาญกันคนที่รักที่ใกล้กันที่สนิทสนมกันก็แผ่เมตตาให้ทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนไม่แผ่เมตตาให้ไม่ ทั่นก็ไม่นอนคือจะนอนมันนอนไม่หลับดีแต่อย่างนั้นก็เลยหลายปีแล้วทามาอย่างนั้นพ อ, อเสร็จแล้วก็พอจะนอนขึ้นมาจริงๆก็ต้องกราบบนหมอนกราบลงกราบลงที่หนึ่งก็พระพุทธเจ้าร้องกับความว่างกราบพระธรรมคือตัวความว่างกราบพระอริยสงฆ์ที่มีความว่างอยู่ไปน้อยร้นอมทั้งพ่อแม่ปูญยาตาตัวทั้งหลายกราบ ลาเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ขอมอบกายตวายชีวิตนี้แก่พระพุทธเจ้าขอมอบกายตวายชีวิตนี้แก่ประธรมขอมอบกายตวายชีวิตวีวิทย์นี้แก่พระชงขอให้กับเจ้ามีโอกาสในการที่มีธรรมะมากมายขอพลังของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ลวงรับไปแล้วขอพลังของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จงมาสิงสถิตอยู่ที่จิตของข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้ามีโอกาสในการที่จะบรรยายหรือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มากๆอย่างนี้ทุกครั้งทำอย่างนี้ทุกๆครั้งเลยไม่เคยเว้นนี่เรียกว่าด้วยบุญกุศลอันนี้ที่ทำที่ทำมาในชาติก่อนก็ไม่รู้แต่ในชาตินี้มันรู้ในชาตินี้มันรู้พระอาตมานี่มีใจบุญมาตั้งแต่เล็กๆมีใจบุญแล้วก็ชอบพระชอบพระ เจ้าพระไม่เจ้พระธรรมดาด้วยเจ้าพระวิปัสนาเห็นพระวิปัสนาเลยมันอยากเป็นพระวิปัสนาเหลือเกินเราต้องเรียนหนังสือก่อนเรียนหนังสือเสร็จแล้วต่อไปเราจะเป็นพระวิปัสนาคิดอยู่อย่างนั้นคิดอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งพอบวชเป็นเนนแล้ววันหนึ่งเห็นพระวิปัสนามาสองรูปก็เลยเข้าไปถามเข้าไปถามเข้าไปคุย เราไปคุยว่าเขาทำยังไงวิปัส <c oughs> สนารักกรดโสนตอนบอกว่านี่ให้ว่าพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโตหายใจเข้าพุทหายใจออกโตเราก็ตามพอได้อย่างนั้นเราก็ตามนี่อาตมาตามที่จริงเป็นคนกลัวผีมากที่สุดแค่เป็นคนที่กลัวตายมากที่สุดมีในครั้งหนึ่งในชีวิตยังจําได้ ก็ตอนเล็กๆเนี่ยต้องไปเลี้ยงวัวพอโตขึ้นมาหน่อยนึงกลับจากโรงเรียนหรือว่าโรงเรียนปิดบ้านอยู่กลางทุ่งนาก็ต้องเลี้ยงวัววัวมันเป็นวัวฝูงสิบตัวสิบห้าตัวเป็นวัวฝูงไปเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวกลางทุ่งกลางทุ่งมันก็มีต้นตาลเป็นแถวบางทุง่งนาบางบางโทษมันก็มีมีต้นตาลตะนโนด เอ็นี่ในวันนั้นพอตกเย็นขึ้นมาขนมันตกหนักพอขนตกหนักแล้วฟ้ามันฝ่าเปรียงปร้างเปรียงปป้งเปรียงปป้งเออป่าป่าต้นตาลอ่ะพอป่าต้นตาลก็เห็นต้นควยลูกควยลูกที่ที่ข้าที่ใบที่มันแห้งๆควยลูกติดขึ้นมากลัวตายมากกลัวตายที่สุดโดยพุทธังพุทธังพุทธังพุทธัง ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งกะว่าพุทธังพุทธังพุทธังพุทธังกอดข้าพเจ้าอย่าเพิ่งตายก่อนกอ้ไปถึงบ้านก่อนจึงตายนี่อย่างนั้นก็เลยไล่วัว ก, กลับบ้านยังไม่ถึงเวลาต้องไล่กลับบ้านตกฝนมันตกหนักแล้วฟ้ามันผ่าแรงกลัวตายถึงที่สุดเลยบอกว่าค่อยไปตายให้ถึงบ้านก่อนนี่มันบอกอย่างนั้นมันบอกตัวเองว่าอย่างนั้นนี่มันเด็กมันเด็ก มันเด็กทำยังไงมันเด็กมันเป็นอย่างนั้นก็เลยมีแต่พุทธังทำมังพุทธังทำมังพุทธังทำมังก็ไม่รู้ว่าพุทธังทำมังคืออะไรไงรู้หรอกก็จะว่าพุทธังทำมังพุทธังทำมังพุทธังทำมังว่าอยู่อย่างนั้นภาวนาอยู่อย่างนั้นว่าพุทธังทำมังมันจะได้หายกลัวนี่เป็นอย่างนั้นเรียกว่ากลัวเรื่องกลัวเรื่องเกลียดเรื่องรักเรื่องกลายเรื่อง อิจฉาฤิ์เสีอะไรนี่มันเป็นคู่ของของคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมพราะฉะนั้นคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมมันจะกลัวเกิดความกลัวขึ้นมากกลัวผีแง่กลัวผีก็กลัวมากกลัวที่สุดเคยเขียนลงไปในประวัตินะว่าตอนตกค่ําขึ้นมาพี่สาวก็บอกว่าไปหยิบตะเกียงมาทีนี่ตะเกียงมันอยู่ในห้อง เราก็ไปหยิบตะเกียงมันมืดมันมืดเราก็เดินเราหลังข้าที่นี่เราหลังเขาาเดินหลังเข่าเรียว่าค่อยๆก้มลงหยิบตะเกียงปิดตาหยิบตะเกียงเร้วก็วิ่งออกเลยนี่มันกลัวผีพอมืดแต่มันกลัวผีที่นี่พอโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งออตอนนั้นรู้สึกว่าอยู่ป .3 แล้ว อ, อยู่ป .3 แล้วมีพร ะ, ะมีพระมาที่บ้าน มาขอเอาไปเป็นลูกโยมก็ไปไปนี่ไปพ อ, อไปนอนวัดยังไม่ถึงเวลานอนพอตกค่ำกับพระก็ไปเยี่ยมญาติโยมชาวบ้านไม่ใช่ไม่ใช่พระในวัดนั้นเป็นพระมาจากวัดอื่นแต่นี่พอไม่กอก็อเดินไปไอ้สองข้างทางที่เดินไปมันเป็นปา่าช้าอาตมาก็เดินหลัง เพืนหลังมันกลัวมันหวาดเสียวเหลือเกินมันกลัวกลัวแต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะบอกเรากลัวไม่กล้าบอกว่ากลัวเพราะว่ามันจะเสียภูมิหมดไม่ได้นี่มันเกิดความกลัวขึ้นมาเกิด ค, ความกลัวก็ต้องว่าพุทธังพุทธังพุทธังพุทธังพุทธั ง, พงเพราะว่าที่นั้นที่เป็นป่าชา้าเรารู้ว่าที่ตรงนี้ก็เผาที่ตรงนั้นก็ฝัง นี่ก็ก็นั่งเล่าเรื่องผีกันอยู่อย่างนั้นในตอนกลางคืนโดยถวนมากที่นี่พอบวชเป็นเนนก็จริงจริงพอบวชเป็นเนนก็จริงจริงก็ยังกลัวอยู่ยังกลัวมาอยู่วัดกุฮัจฉวันไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ก็อยู่อยู่ตรงไหนก็ได้มันมีกฎติล้างอยู่สองหลังกุติล้างห้องหนึ่งมีห้องหนึ่ง้ก็สองอ้องอยู่ในป่าเจ้าวัดกุฮัจฉวัน ป่าจ้าเมื่อก่อนมันรกแล้วก็ก้างๆป่าจ้าก็มีพวกกระดูกแล้วก็อีกควายหนึ่งก็มีต้นไม้ลกรุงรังมีแต่ทางเดินหน่อยหนึ่งมันไม่มีกุฏิไม่มีอะไรดอกต้องผ่านหน้าทัำแต่พวกตันกลายมาก็เลยเออไม่มีที่อยู่ก็ไม่มีใครจัดให้เรามันอยากจะเรียนบาลีนี่ทำยังไง บากหน้ามาแล้วไม่มีคําว่ากลับหลังกลับหลังไม่ได้อาตมามีนิสัยอย่างหนึ่งคือจะไม่กลับหลังจะไปข้างหน้าที่นี่ถ้าไปกลับไปบ้านทีหนึ่งน่ตอนที่ยังไม่บวชกลับไปบ้านทีหนึ่งยมแม่มาส่งพี่สาวมาส่งมาส่งที่ตัวอําเภอระโนดเพราะตรงนั้นมันไกลประมาณสักสองสามกิโลเห็นจะได้อที่นี้เมื่อก่อนก็ไม่ได้เดิน นั่งเรือโยมแม่ก็ไปเรือให้นั่งแล้วก็นั่งมาในเรือคุยกันมาอะไรกันมาทีานี้พอถึง <c oughs> ถึงขึ้นจากเรือแล้วอะไรแล้วพอจะกลับไปขึ้นรถอย่างนี้อาตมาไม่มีคำว่าเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวหลังไปดูพี่สาวไม่เดี๋ยวหลังไปดูโยมแม่จะไม่เดี๋ยวหลังเป็นอันาดไม่เดี๋ยวหลังเป็นอันกาดกาจะไปก้างหน้าไปก้างหน้าอย่างนี้ นี่เรียกว่าไปกาหน้าเพราะฉะนั้นชีวิตนี้มันไปกาหน้ามาอยู่วัดกัวาร์สวรรค์อายุสิบปีแล้วตอนนั้นขึ้นสิเจ็สปีแล้วอาอย่กุฏิล้างกุฏิล้างที่ทำกับไอ้อิบศพทางนั้นเลยเราก็อยู่ได้พยายามที่จะอยู่พยายามค่มจิตค่มใจค่มจิตค่มใจกจนตอนอยังไม่กข้ขาก็ออกมาเรียนหนังสือกับพวก นั่งแปลหนังสือกันสี่องค์ห้าองค์พวกเน้นๆด้วยกันพอกล้ามก็ข้าวไปคนเดียวถ้าไปคนเดียวบางทีก็เอาทางมาพระแห้งๆเอาจวดไปโล่ไปทั้งป่าช้าเลยโล่พอไปถึงก็ข้าวไปนอนทีนี้บางทีก็ไม่มีอะไรควอยฉายนี่ไม่ต้องพูดถึงเอาเงินที่ไหนจะมาซื้อค่อยใชย้ในสมัยนั้นยังใช้ตะเกียงกันอยู่ คอยคว้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคอยคว้าเพิ่งมีทีหลังคอยคว้าก็มีคอยคว้าสากรพอถึงเวลาสามทุ่มเขาก็ดับพอตีห้าตีสี่ครึ่งเขาก็ติดคอยคว้ามีทีหลังเมื่อยุคนั้นยุคคอยคว้าแต่ว่าคอยคว้าวัดกว่าจังหวก็ยังไม่มียังมืดตื้อมืดตื้อกันอยู่มีอีกครั้งหนึ่งมากับพระ ตอนที่ไม่เป็นเนยตอนที่เป็นเด็กมากับพระอีกพระอีกรูปหนึ่งมากับพระพระจะพาไปสงฆ์ขาพาไปสงฆลขาต้องนั่งเรือยนไปนั่งเรือยนไปถึงค่ำมืดออกไปพักที่วัดเจ้าคณะจังหวัดพอเช้าขึ้นมาก็ฉันข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็ขึ้นรถต่อขึ้นรถต่อไปหาดใหญ่ขึ้นรถคไยไม่ใช่รถยนต์ เป็นรถไวยต่อไปหาดใหญ่พอไปต่อที่หาดใหญ่เสร็จแล้วก็ได้เวลาก็มาพัตลุงมาเปิดพัตลุงในสมัยนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่หลยรถเนี่ยก็เรียกว่ารถคํำรถคํารถค้ถที่พัตลุงเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้เดินแล้วรถที่สงขลามาจากที่อื่นแต่มานอนที่พัตลุงรถคํา พอมาถึงพัตธลุงนี่มืดติดตือเลยทำย่างไงที่นี่มืดติดตือมันมีคนที่ไปรับซื้อไก่ยซื้อไก่ซื้อไก่เป็นๆเนี่ยเนี่ยมีเจ๊กที่ไปซื้อไก่แล้วมันถือใต้ควายใต้ลุกโครงโครงโรงโลงโล ง, ง, งที่นี่เดินมาวัดกรุงหาดจวันเมื่อก่อนนั่นก็ไม่มีบ้านมากเกินไปอย่างนี้หน้าวัดก็เงียบฉี่เลยเดินมา ได้อา่ัยไฟใต้ของจีนคนนั้นเนยอาส า, ายไใต้ก็แล้วก็เดินมาเดินลุกโรงมาอย่างนั้นพอถึงบ้านเขาก็หยุดแล้วก็เดินดุ่มๆ ม, มาอย่างนั้นเห็นทางขาวๆนิดหน่อยก็เดินมากับหลวงพ่อเดินตามหลังมาเช็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆอย่างนั้นจนมาถึงก็ได้ปักที่นี่นั่นเนี่ยมันทำให้เกิดลู่ทางขึ้นมาลู่ทางที่ได้มาอยู่จังหวัดพัตรุนะ พ่อหลวงพ่อองค์นั้นเนี่ยพามาพัฒนลุงพอพามาพัฒนลุงมาพักที่กุฏิกุฏิที่เคยไปอาศัยเ่ยกุฏิของหลวงพ่ออีกองหนึ่งเพราะวัดกอฮารจวันก็จะอยู่เป็นคณะเป็นคณะอย่างนั้นทีนี้พออยู่กุฏิแต่ตอนเช้าตอนเช้าไปหน่อยเรามันก็ยังเล็กอยู่เด็กที่มันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตอนเช้าพอฉันเช้าเสร็จตัานก็จะไปป่าพยอง เราก็ไม่รู้ว่าป่าปรพยองอยู่ที่ตรงไหนจันทร์เจ้าเสก็เดินเลยที่นี่เดินเดินตัดมาเดินตัดมานี่เนี่มามันเป็นป่าลุกชัดดังนั้นามาถึงพอมาถึงช่องโกโดดเนี่ยทางาทางทางทางไปควนกระนุนเนี่ยไปควนกระนุนไปควนกระนนเนีน่ก็ไปป่าปพยองเที่ยวเดินเวียนหัวปลวกอย่างนั้นน่ยมันไม่มีถนนมีแต่ทางเดินเล็กๆ แล้วก็เป็นป่าเห็นป่าทั้งนั่นเลยสองข้างอยนี้เดินไปเดินไปเดินไปเดินไปพอไปถึงาควรถนนหลวงพ่อองนั้นท่านคิดว่ามันไม่ไหวแล้วลูกศิษย์เดินแบกกระเป๋ากันไม่ไหวแล้วก็เลยท่านบอกว่าให้พักก่อนให้พักก่อนแล้วท่านก็ฝากไว้ที่ที่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดปากซาวากไว้ที่วัดปากซาแล้ขวางที่วัดปากซาก็อ่อยพระ มารับไปทีนี้ท่านเินก็เดินต่อเดินต่อไป ป, าป่าะยน้าเราไปถึงป่าะยนคงตายแน่เลยเพราะเด็กมันไม่เคยเดินอย่างนั้นเนี่ทีนี้ป่าะยนมันก็เป็นป่าเป็นป่าจริงๆเลยจะไมนั้นเป็นป่าจริงๆนี่เรียกว่าความยากลำบากที่มันมากมายกายกองเหลือเกินตอนที่เป็นเด็กก็ลำบากตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็ลาบากฉันก็ลาบากทั้งนั้น นี่มันสบายมาปลายแก่เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ามันสบายโชได้ปฏิบัติธรรมแล้คนสบายสบายไปหมดแต่เราไม่สบายคนเดียวเราก็เผื่อแผ่แผลญาติโยมจังหลายได้รับความสบายได้รับความสะดวกด้วยนี่เพราะความลําบากของอัตมาตงครามโลกครั้งที่สองมันลําบากขานาดหน่อยโยมลองหลับตาดูดิาราเคยเกิดทันตรงครามโลกครั้งที่สอง แล้วมนลำบากอาตมาชีวิตที่มาอยู่ตรงนี้มาด้วยความยากมาด้วยความลาบากด้วยความยากจนด้วยความอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ามันยากลำบากไปหมดแต่ว่าไม่กลัวชีวิตนี้ต้องไปข้างหน้าต้องไปข้างหน้าต้องเดินไปข้างหน้าที่นี่จนไปรู้จักกับพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่เพราะว่าเราต้องการที่จะพบกับพระผู้ใหญ่เราต้องการที่จะเดินทางนั้น ตอนที่อยู่วัไดไา้บำ ร, รุงที่อำเภอระโนดนะตอนนั้นมีมีท่านมหาผลนิมนต์หลวงพ่อปัญญาไปเทศไปเทศที่โรงเรียนทันยะโรงเรียนเรีหรือเป็นโรงเรียนประถมเราพระนีนก็ไปฟังกันท่านก็เล่าเรื่องเมืองนอกเล่าเรื่องไปประเทศอังกฤษลงไปในที่หลุมเหมืองแร่อะไรต่ออะไรก็ ฟังกันหูพึ่งเลยในตอนนั้นเพราะเราไม่หนังสือพิมพ์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีวิทยุก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยเมื่อเขามาพูดอย่างนั้นก็สนุกฟังแล้ว ม, มันสนุกตัานก็เล่าเล่าเล่ า, เ ล, าเล่าไปอย่างนั้นเออเราก็คิดว่าพระองค์นี้ทํำยังไงเราจะได้รู้จักพระองค์นี้ที <c oughs> นี้เนี่ยโชคมันข้าวข้างทางนั้นเน่ยโชคมันข้าวข้าง เรียกว่าก็ขีดเส้นไว้ให้แล้วทุกอย่างก็ขีดเส้นไว้ให้ทีนี้พอมาอยู่วัดคูหาจวัณฑ์เรียนหนังสืออยู่9ปีเรียนนักธรรมเรียนบาลีอยู่9ปีแล้ก็ไปอยู่กรุงเทพก็ไปอยู่กรุงเทพ เ, เป็นท้าไม่ค่อยดีก็เลยซิกออกมาพอซิกออกมาแล้วเป็นยังไงทีนี้เาราซิกออกมาก็ไปอยู่บ้านโยมอุปถาคโยมอุปถาคก็แกก็ไม่มีลูก ไมมีลูกแกก็ต้องการที่จะเอาเราเนี่ยมาเป็นที่พึ่งเราก็เป็นที่พึ่งตัวเองยังเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยจใจคนอื่นก็พึ่งยังไงทีนี้ก็ก็ไปอย่างโลภโลภเขาอยากย้า้มีลูกอยากย้ายมีเมียอยากยให้ทำสวนยางอยากยใายทำนาะเรายิ่งทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้ทำไม่ไ ด, ทไได้ทางนั่นเลยแต่ว่านอนคิดอยู่นอนคิดอยู่ว่าเออนี่ เรานี่โยมอุปถารนี่ก็ร่ำรวยมากแต่เกาไม่มีลูกก็มีหลานร่ำรวยมากมีที่ดินเยอะแยะเต็มไปหมดในตัวเมืองพัทลุงนั่นแต่คิดว่าเราจะไม่เอาอะไรเพราะเราไม่ได้มาสร้างอะไรให้เขาเราจะเอาอะไรไม่ได้คิดอยู่ในใะจอย่างนั้นจะเราเอาลูกหลานก็คงจะเกลียดแล้วก็บอกลูกหลานก็ว่าจะไม่เอาอะไรนะไม่เอาอะไรไม่เอาอะไร แกกแ็แบ่งที่ดินให้สองห้องสองห้องเดี๋ยวนี้ราคาเป็นล้านด้านแล้วบอกว่าไม่เอามเมออกแกก็จัดสรน่จัดสาร่ายู่มาที่หลังก็ร้านสาวก็ขายไปหมดที่ดินนั้นก็ติดติดโนดแบ่งโฉนดไม่ได้แบ่งก็ติดไปหมดติดไปหมดเขา ก, ก็เอาเงินมาให้สองแสนเอามาให้สองแสนทีนี้แสนทีหลังนะรู้สึกว่าจะติดอยู่นาน เขาก็ไม่ได้โคอยไม่ได้อะไ ร, รก็บอกว่าเออท่านหลานเนี่ยเขตอนนี้จะตาเสียชีวิตไปนานแล้วบอกว่าเออเอาเงินไปเที่ยวอเมริกาเสแล้วบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเอาถือมาบวชชีก็แล้วกันมาบวชชีสักสิบวันก็หลุดกันทีนี้เ้าก็เลยติดค้างอยู่มันติดค้างอยู่อย่างนั้นติดค้างขาใจไม่สบายใจไม่สบายใจพอทีหลังก็สร้างวิกแกลนใหม่ พอจ้างวิกแกลนขึ Now, ote, ้นมาไอ้กางวิกแกล์มันก็ยังมีที่ดินอยู่มีทางวิกเนี่ยเขาเาที่ดินเช้าที่ดินนั้นทําที่จอดรถก็ก็ให้เอ่อเขาก็ให้อนั้นก่อนให้ก่อนหนึ่งแสนก็ให้ก่อนหนึ่งแสนนั้นหลานมันก็เลยเอาหนึ่งแสนนั้นมาให้อาตมาเอาทำอะไรหนึ่งแสนหนึ่งแสนนั้นก็เอาซ่องกุฏิปรับปรุงกุฏิใหม่ห้าหมืน อีกห้าหมื่นก็ทำไฟทำไฟที่ขึ้นมานั่นเองไยที่ที่สภานนั่นห้าหมื่นนั่นทำไยนี่เรียกว่าชีวิตมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็สบายขึ้นมันมาสบายกว่าตอนที่ยิ่งเราปฏิบัติธรรมะเลยก็ยิ่งสบายทีนี้มันยิ่งสบายเมื่อก่อนมันทำแต่อันนั้นทำอันนี้ทำอันโน้นนี่แต่ทำทำทำปฏิบัติธรรมะอยู่สวนมาก แต่เสร็จแล้วกลับมาต้องมาทำที่อยู่ทำที่อาชัยทำทางขึ้นทำทางลงตั้งกดบ่อน้าต้องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องทีนี้ตอนที่ไปอยู่สวนโมกเนี่ยได้ไปรู้จักหลวงพ่อปัญญาเพราะหลวงพ่อปัญญาเคยอยู่สวนโมกมาก่อน้อยู่สวนโมกมาก่อนถึงปีท่านก็มาเยี่ยมอตาตมาก็อยู่ในหน้าที่ที่จะต้องรับแข่เมื่อรับแขกท่านอาจารย์ธธรรรพุทธาท่านบอกว่านี่ หมาเอี้ยนนี่อยู่พัทลุงนะอยู่วัดกุหะจวอนเคยบวชอยู่ที่นั่นท่านก็เลยจะนิจนสน ום จะนิจสนมกันที่นั่นนี่เรียกว่าทําให้รู้จักตัวจริงแล้วเราก็รู้จักตัวจริงขึ้นมาแล้วนี่บอกทา่านอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นที่นั่นอย่างนั้นแล้วท่านก็เอาใจใส่เราดูแลมาก็ถามถึงแล้วก็จัดที่พักให้ท่านนี่ก็เลยได้รู้จักกับท่าน พอมาหลังๆท่านก็มาพักที่นี่บ่อยๆมาพัตตะลุงท่านก็มาพักที่นี้ตอนที่ท่านยังขึ้นไหวอยู่พอขึ้นไม่ไหวก็ไปพักที่อืน่นไปพักที่วัดท่าบีหลัมต้องขึ้นมาพักหลายครั้งนี่คือการรู้จักกับผู้ที่มีปัญญาหรือเป็นปัญญาชนแล้วก็ต้องการที่จะรู้จักกับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสล้วก็วิ่งไปหาเลย พอได้อ่านหนังสือกู่มือมนุษย์ก็วิ่งไปหาท่านเลยเลิกการทำหมากินเลิกเลิกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วการอยากร่ำอยากรวยนี่ไม่เอาแล้ ว, ล ว, ก, ก, ล ก, ว, ลวก็เลยไปอยู่กับท่านได้รู้จักกับบัณฑิตในสมัยนั้นกศ .2505 ตอนนั้นวันที่7เดือนมิถุนายนกศ .2505 ขึ้นรถไฟจากสถานีพัทลุงไปลงที่ชัยยา ก็เดินดุมดุมดุดุมดุมๆุมไปอย่างนั้นนี่นี่ชีวิตดูที่ชีวิตมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้แค่นั้นไม่ต้องไปกลัวมันมันเป็นยังไงก็มันเป็นไปช่างมันไม่ต้องกลัวแต่เราจะต้องทำดีทำดีที่สุดทีนี้ทำดีที่สุดไอดเ้เรื่องดีเนี่ยเรื่องดีดีที่สุดมันต้องปฏิบัติธรรมวันที่โยมมาที่นี้แหละดีที่สุดคือต้องปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมล ท, Wie, ทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อม มันไม่มาก็จ่างมันไม่เป็นไรไม่มาก็ไม่เป็นไรนี่โยมยินดีก็อุดหนุนอยู่ตอนนี้เขาก็ช่วยเหลือก็ขอบคุณญาติโยมทุกคนแล้วก็โยมยินดีด้วยที่มาช่วยอุดหนุนมาช่วยดูแล เ, เทศเจ้ากับว่าดูแลศาสนาอย่าคิดว่าดูแลอัตมาคนเดียวอัตมาก็มีหน้าที่เพราะฉะนั้นจึงรับอาสาว่าจะเทศกันอย่างนี้จนตายไลยจะพูดกันจนตายเลย ถ้าอายุยืนก็ดีแล้วอายุยืนจะได้พูดนานๆแต่ถ้าพูดไม่ได้แต่ไม่ควรที่จะอยู่ถ้าทํางานไม่ได้แต่ไม่ควรที่จะอยู่ให้เป็นภาระแก่คนอื่นนี่คิดคิดอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกคืนคิดอยู่อย่างนั้นถ้าทําอย่างไรให้คนอื่นก็มีความสุขให้เขาได้มาฟังธรรมให้ได้มาปฏิบัติธรรมนี่อย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปกรุงเทพเพื่อไปโปรดทางโน้น ไม่ใช่ไปหาเงินเงินทอง่ายได้มาบ้างก็มาช่วยทางนี้ช่วยทำโน้นทำนี่นี่วันที่สิบสามเดือนหน้านี้เขาจะให้ทุนการศึกษาเด็กแต่เจ็ดโรงเรียนคนแก่สามสิบคนในวันนั้นก็ให้ทุนไปหนึ่งร้อยทุนพอดีวันนั้นห น, นึ่งร้อยทุนนี่ก็คิดสบายใจอยู่คิดยิ้มอยู่ในใจแล้ว ยิ้มอยู่ในใจว่าเออเราได้ทําเราได้ทําบุญแล้วเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วแต่ว่าปีหน้าไม่ตายเสียก็จะทำสักเจ็ดสิบห้าทุนปีหน้าปีนี้เจ็ดสิบทุนแต่ว่ารวมทั้งผู้สูงาอายุด้วยก็สามสิบทุนเออร้อยทุนร้อยทุนพอดีแต่ปีหน้านี่จะให้ให้สักแปดโรงเรียนแปดโรงเรียนก็จะ แ่โรงเรียนก็80คนอายุ75ตอนที่จะขึ้นวันที่13เดือนพฤศจิกายนนี้ก็อายุจะขึ้น75พอ75ปีหน้าเราก็จะหาก75ทุนถ้าหาเงินได้ถ้าหาเงินไม่ได้ก็ไม่ต้องห้ แต่คิดเอาไว้ก่อนอย่างนี้นี่มันสบายใจจะเราคิดจะให้แนละ้วมันสบายใจมันรู้สึกสบายใจสบายใจนี่ก็ส่งเสริมกันอยู่เรื่อยๆเด็ดนะไม่ใช่คนเดียวนี่เมื่อวานโทรมาอีกแล้วอีกคนที่อยู่วัดเป็นประจำเนี่ยไปข้าค้ า, า, า, ายอยู่สองเดือนไปข้าค่ายที่โรงเรียนสองเดือนข้าค้ายนักกีฬาไปแข่งที่เชียงใหม่เชียงรายไป น, น้น โทรมาแล้วโทรมาว่ายังไงบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องเอาเงินสามพันกว่าเอาไปเสียค่าทื่เอาไปว่ากันไปตามเรื่องแล้วเป็นยังไงในเรื่องการที่เธอไปแข่งขัน เ, เขาวิ่งก็เป็นนักวิ่งไปแข่งขันก็ได้ที่สองได้ที่สองระดับไหนระดับภาคระดับอะไรก็กอไม่รู้เ้วก็ไม่คอยรู้เรื่องไม่คอยติดใจก็ดีแล้วที่เด็กมันฝอยดีอย่างนั้น เพาะมันเป็นเด็กลำบากก็เลยช่วยเหลือเขาอยู่ตอนนี้บอกว่าให้เธอเรียนพวสให้จบแล้วนอกนั้นก็หลวงพ่อก็ไม่ส่งแล้วนี่ทํากันอยู่อย่างนี้นี่คือให้เรียกว่ามีการให้เราก็มีแต่การให้เจ้านี้ก็มาให้ตั้งแต่เช้ามืดมาให้ธรรมะธรรมะวันนี้ก็ไม่ลึกอะไรมีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับ ไม่ใช่เร hm ื่องเป็นเช่นนั้นเองเพราะฉะนั <man <man ้นชีวิตเราก็ดูชีวิตของเราเพราะว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองยังไงยังไงมันก็เป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองถ้าเห็นอย่างนั้นเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันไปแล้วชีวิตมันไปแล้วมันไปตามอุปนิสัยของเรานั่นแหละไม่ใช่ไปตามกราบของชีวิตมันไปตามนิสัยนี่ของอาตมาหนิไปตามนิสัยนิสัยที่เราชอบ เราชอบพระเราชอบธรรมะเราชอบช่วยเหลือคนเราชอบช่วยเหลือเด็กเราชอบสัตว์เราชอบต้นไม้มันอยู่ที่นิสัยอย่างนี้เรียก ว, ว่าอุปนิสัยแต่ว่าการชอบทุกสิ่งทุกอย่างคือการชอบธรรมะชอบธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นสิ่งสูงสุดชีวิตนี่คือธรรมะธรรมะนี่คือชีวิตเราอยา่าแยกชีวิตออกจากธรรมะ อย่าแยกธรรมะออกจากชีวิตชีวิตคือธรรมธรรมคือชีวิตเพราะฉะนั้นให้มีธรรมอยู่ในชีวิตให้อยู่เป็นประจำอย่างนั้นให้มีธรรมประจำใจอยู่เป็นชีวิตเห็นว่าเป็นเช่นนั้นเองชีวิตเรื่องการทำมาหากินเรื่องอะไรมันเป็นเช่นนั้นเองเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเอง ความยากจนมันก็เป็นเช่นนั้นเองทีนี้เราทำยังไงหนีความยากจนเราต้องขยันขยันเสร็จแล้วก็ขยันในการทํามาหากินในการคิดในการหาลู่ทางมันก็ค่อยๆดีขึ้นชีวิตคือร่างกายมันก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ ว, ว่าชีวิตคือจิตใจนี่เราก็ต้องแสวงหาเหมือนกันคือต้องแสวงหาธรรมะแสวงหาธรรมะนี่ก็ต้อง ถาหอาจารย์นั้นอาจารย์นี้อาจารย์โน้จนกว่าจะพบอาจารย์จริงๆนี่มันไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันมันอยู่ที่สติปัญญาของเราดีไม่ดีโดนต้มไปก็ได้ท่านมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะอาจารย์มันเต็มบ้านเต็มเมืองเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันไม่ใช่อาปล่อยถึงอาจารย์แล้วอาจารย์โลกกราบเราเราก็เสียท่าจากนั้นนี่อาจารย์ที่ก็มีความโลก ก็อยากร่างอยากรวยอยากดังอยากดีอยากเด่นเราไม่ต้องไปเอาอาจารย์อย่างนั้นต้องเอาอาจารย์ที่จอนให้เราเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองว่าทุกอย่างมันว่างจากตัวตนวางจากตัวตนสอนอย่าให้มีตัวกู้ถ้าสอนอย่างนั้นก็ไม่ใช่ไปยกยอตัวเองถ้าสอนอย่างนั้นก็ใช้ได้เรียกว่าใช้ได้อาจารย์เองก็ไม่มีตัวกู้ ลูกจิตก็พยายามที่จะไม่มีตัวกูมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อไปอาจารย์ก็ไม่มีตัวกูลูกจิตก็ไม่มีตัวกูตัวกูของอาจารย์ก็หมดตัวกูของลูกจิตก็หมดทังหมดกันไปมันก็ได้สบายทีนี้เอาเวลาก็พอสมควรแล้วพอความจุกความเจลืญลงเกิดมีก็ญาติโยมทุกๆุกท่านตื่น ไม่ต้องนั่งเดินดีกว่าเดินสว่างแล้ว